กลับโครงการพระจันท์โน้นนะก็เจริญพรพวกเรานะทุกคนเลยวันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นวะละพิเศษนะย้ายวัน <c oughs> ย้ายวันแต่ยังไงก็ตามก็คือเราก็มาเจอกันเพื่อมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเนะาะดันั้นการสวดมนต์ทำบัตรตอนเช้าก็เหมือนกับเป็นการเตรียมตัว เข้าสู่การปฏิบัติธรรมเนาะเป็นการเตรียมตัวหมายถึงการเตรียมกายด้วยการเตรียมจิตใจด้วยแล้วก็การที่เราได้เหมือนกับฟังพระธรรมคําสอนเนาะของพระ เ, เจ้าเปรติวาจะได้จับประเด็นเนาะจับประเด็นธรรมมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติกันก็ตรงนี้ก็ถ้า หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าเออเวลาที่เราเหมือนกับว่าอยู่ในทางธรรมเนาะการการเหมือน ก, นกับการเตรียมพร้อมการเตรียมใจหรือวิธีการเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กระทัดรัดเนาะไม่เยินเยอเนานะมีพระธรรมคำสอนเนาะของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีตัวเรามีกายมีใจเนาะ ตรงนี้เราก็อาศัยสามอย่างนี้เตรียมพร้อมเนาะก็ใช้ได้ละเมื่อสามสี่วันที่แล้วก็ได้ไปเตรียมพร้อมเนาะก็เรียกว่าสำหรับค่ายเนนก็เป็นการสรุปค่ายเนนกเราก็ไปกันใช้เวลาหลายวันเนาะก็ใช้การเดินทางใช้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เยอะเลย ก็เป็นการเตรียมพร้อมเหมือนกันนะเป็นการเตรียมพร้อมที่จะทํากิจกรรมไข่เนนะก็เป็นการเตรียมคนมีอะไรต่างๆนาน า, นาหลายๆอย่างมีส่วนประกอบเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องของเหมือนกับการเตรียมเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าธรรมะเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เหมือนกันกบเป็นสิ่งที่สะดวกเนาะต้องเรียกว่าสะดวกเพราะว่า เหมือนกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยส่วนประกอบต่างๆไม่ต้องมีมากไม่ต้องอาศัยเวลาไม่ต้องอาศัยระยะทางไม่ต้องอาศัยอะไรมากมายเราหยิบเนาะเาเรียกว่าเราหยิบเอาสติเราหยิบเอาความรู้สึกตัวอาศัยกายอาศัยใจเนาะการปฏิบัติธรรมก็เริ่มต้นขึ้ น, นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ ก็นึกถึงเนาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้ถามเนาะได้ถามว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองได้ถามมีคนถามพระพุทธเจ้ า, าว่าอะไรเนาะเป็นสิ่งที่ทําได้ยากอย่างเงี้ยนะพระพุเจ้าก็บอกว่าการบวชเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเนาะอะไรที่คนที่ถามก็ถามต่ออยว่าแล้วมีอะไรไหมที่ยากกว่าการบวชก็มีนะ<ม> <c oughs> ก็คือ การที่เหมือนกับพอใจในการบวชก็ยากกันไปอีกนิดหนึ่งคนที่ถามก็ถามอีงว่าแล้วมีอะไรไหมที่ยากกว่าการบวชก็พระเจ้าก็ตอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมนะยากกว่ามีอะไรไหมที่ยากกว่าการปฏิบัติธรรมก็คันพอใจในการปฏิบัติธรรมแต่จริงๆคําว่ายากกว่าตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนที่จะเดินทางนะต้องเรียกว่าเดินทางมาสู่เข้าสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ย ธรรมญาก็คือโอกาสเนาะโอกาสที่ที่คนที่จะได้เข้ามาพบเส้นทางธรรมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเนี่ยตรงเนี้ยก็เยอะเนาะทำนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิดเนี่ยนะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเมื่อเราได้เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเนาะทำนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิสนะตรงเนี้ยก็ยนะําเนาะพระเจ้าก็ยําเนาะว่าถ้าเรา ประพฤติทำเป็นนิดนี่แหละทำนะจะรักษาเราอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเพียงแค่ฟังแค่อ่านเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้นะพูเ <c oughs> จ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าตรงนั้นละ่ะ <c oughs> แต่นี่คือเป็นเรื่องที่การปฏิบัติธรรมนะก็แม้กระทั่งตัวหลวงพ่อเองก็ยังก็เหมือนกับอะาเวลาที่เราเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย การได้ยินได้ฟังเนาะครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้สังเกตเนาะว่าเหมือนกับเวลาที่เรามีสติเนาะคอยที่จะสังเกตเนาะการฟังธทมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็มันก็จะเกิดจุดบอดขึ้นนะเหมือนกับว่าเกิดจุดบอดขึ้นก็คือเราไม่สามารถที่จะฟังได้ทุกคาพูดนะ หมายถึงว่าในในกระบวนการการการเทศครั้งหนึ่งที่เราฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็จะได้ยินไม่ไม่ตลอดก็แบบว่ามันก็จะมีส่วนที่เรามองเห็นเล ย, เลยว่าส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยมันเหมือนกับช่องว่างเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมายถึงครูบาอาจารย์ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดณตอนนั้นเนาะแต่มันเหมือนกับว่าความรับรู้ของเราอะมันจะขาดหายไปเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงชว ง, ชวงซึ่งนั่นคือมันเป็นเรื่องที่ เราเองก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องกังวลเนาะไม่ต้องวิตกว่าไอสิ่งที่ขาดหายไปเป็นยุ่งๆช่วงอ่ะจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาคําแนะนําในการปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยมาใช้ได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่านั้นคือมันเป็นสิ่งที่เพียงแค่เราจับประเด็นเนาะจับประเด็นในการปฏิบัติธรรมให้ให้ถูกต้องเนาะ จริงๆแล้วการจับประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่สะดุดหูเราสิ่งที่สะดุดหูเราในในครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าเป็นความพอเพียงนะที่เราจะจับเอาจับเอาการปฏิบัติธรรมจับเอาคำแนะนำในการปฏิบัติธรรมนั้นๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างจำได้ว่า พอฟังหลวงพ่อเนาะครั้งแรกอย่างเงี้ยเนาะครั้งแรกหลวงพ่อก็บอกบอกว่าการกลับมารู้สึกตัวเนาะการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยก็คือการที่เราเหมือนกับว่ากลับมารู้สึกวนไปที่กายเนาะก็ได้หรือกลับลงไปรู้สึกที่จิตใจที่กําลังเผลอไปคิดนึกก็ได้อย่างเงี้ยเนาะตอนนั้นก็จําได้ว่าในในส่วนตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ แล้วก็กังวล น, นะว่าเอ้ความรู้สึกตัวเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเวลาที่เราสร้างจังหวะเนาะสร้างจังหวะเป็นความเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่เห็นง่ายๆก็คือเราเผลอไปคิดละอย่างเงี้ยเราเผลอไปคิดละเราเผลอไปคิดละอย่างเงี้ยซึ่งนั่นคือมันเป็นสิ่งที่ตอนนั้นก็จับประเด็นอย่างเงี้นะความรู้สึกตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ รู้สึกได้ว่าเราเผลอไปคิดเราก็กลับมาก่อนรู้ว่าเผลอไปคิดเราก็กลับมาก่อนอะไรยเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วก็คือจริงๆตรงนั้นละ่ะก็คือความรู้สึกเนาะความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ว่ามั น, <ต>มนเผลอไปคิดนะเราก็ได้ใช้ความรู้สึกตัวแล้ว <çocuğ S 2> ละ่ละหรือว่าการที่เรากลับมาที่กายก็คือเพียงแค่ <sexuality> เรารู้ว่าอมันมีการสัมผัสมันมีการหยุดมันมีการเคลื่อนไหวรู้อะไรก็ได้ที่กายกําลังทําอยู่ตรงนั้นก็ใช่ละล่ะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าณวันนั้นอ่ะก็คือเหมือนกับ ระวังความคิดเนะระวังความคิดของตัวเองเหมือนกับว่ารู้รู้เหมือนกับว่ารู fade, ้สึกว่าความคิดของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมันเป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องที่เรามไม่อยากยุ่งกับเขาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่หมายถึงว่าตั้งแต่ทำงานหรือว่าตั้งแต่เล็กมาเนี่ยเราก็ถูกความคิดเนี่ยเหมือนกับครอบงาชีวิตมาตลอด มันที่เห็นเนาะมันที่เห็นตรงนั้นนะ่ะก็คือเรามีความรู้สึกว่าโอ้สุดหูคำว่าการปรุงแต่งอสะดุดหูคำว่าการปรุงแต่งนะคือชีวิตของของการทำงานเนี่ยปรุงแต่งให้มันเขาเรียกว่าทำให้มันสวยงามอ่ะมาตลอดเนาะจะเป็นการทำบ้านหลังหนึ่งมีเสามีคานไม่พอนะก็ต้อง ใช่ตกแต่งให้มันสวยงามเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆนะหรือว่าไม่ว่าจะทำไงก็ตามเรื่องของการออกแบบเป็นเรื่องของการเติมเป็นการเสริมเป็นการแต่งไปหมดเลยแต่ว่าตรงนั้นนะมันก็ทำให้เราได้เห็นว่ามันมีโครงอันหนึ่งอยู่แต่ว่ามันมีการเพิ่มเติมเข้าไปที่ทำให้เข้าใจเป็นอนันนู้นเป็นอนันนี้ต่างๆเนี่ยพอเวลาที่รู้สึกสะดุดตอนนั้นเนี่ยจาได้ว่าโอ้ชีวิตเรานะคลุกคลีอยู่กับการ ปรุงแต่งเนี่ยมาตลอดเลยแล้วพอเราครุกคลีกับการปรุงแต่งเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคือชีวิตเราก็หลงเข้าไปอยู่ในการปรุงแต่งตรงนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวถูกการปรุงแต่งต่างๆก็ทําให้เราเหมือนกับพอใจไม่พอใจทําให้คนอื่นชื่นชมไม่ชื่นชมทําให้เราติดอยู่ในโลกระทําทําให้อะไรต่างๆนานาเหล่ า, น า, นานเนี้ยพอเวลาที่ เริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราจะปล่อยให้ความคิดที่หลวงพ่งอเกียนท่านบอกว่ารักคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยน่ากลัวเพราะนั้นก็เราก็เหมือนกับคอยรู้สึกตัวไปกับกับกับจิตนะกับจิตที่มันเผยพิคิดกับจิตที่มันเผยพิคิดก็กลับมากลับมาแต่ว่าถึงตรงนั้นเองเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่า อ, อมันก็มัน ก, นก็เราก็เพียรระวังนะแต่ว่า มันก็ไม่สามารถนะบางทีจิตมันก็เผลอเข้าไปเนาะคิดเป็นเรื่องเวราวบางทีเราก็เหมือนกับว่าจิตมันก็เผลอไปนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าโอ้เรื่องราวแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่เราเรารู้สึกว่ามันเป็นความบกพร่องนะเป็นความบกพร่องของเราเราทํำยังไงที่จะทาให้ มันเหมือนกับว่าเรารู้ได้ไวขึ้นรู้ได้ไวขึ้นนะคำว่ารู้ได้ไวขึ้นรู้ได้ไวขึ้นเนี่ยในตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับทำยังไงให้ความคิดเนาะมันเหมือนกับไม่ไม่ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยทาให้มันไม่ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็เราก็อยู่กับการที่เฝ้าดูตรงนั้น แต่ว่าพอเวลาที่เวลาผ่านไปเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้วจิตใจของเราเนี่ยที่นึกที่คิดเนี่ยมันก็สิ่งที่เก็บมาเป็นประเด็นเนาะในการคิดการนึกเนี่ยมันก็แคบเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาเหมือนกับเวลาที่เราเคยคลุกคลีอยู่กับโลกเนาะมันอาจจะมีวัตถุดิบหลายอย่างเนาะ ให้เราได้คิดเนี่ยพอเวลาที่อยู่กับการบวชเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาวุ่นวายกับเรามันก็น้อยลงมันก็มันก็ทําให้เหมือนกับเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันก็บนเวียนอยู่กับที่เราเห็นเห็นเนาะนี่นะคือตรงนี้เนี่ยก็ในตอนหลังเนี่ยก็มาสังเกตนะว่าจริงๆแล้วจิตใจเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ การที่เราเหมือนกับคิดเนอะเรื่องราวอะไรต่างๆนานาหลายเรื่องเนี่ยเนอะมากมายไปหมดนอกอย่างที่บอกว่านอกรั้ววัดเนอะเยอะแยะไปหมดเนี่ยหรือว่าการที่เราคิดในรั้ววัดเนอะกับสิ่งที่เราเห็นใบไม้กิ้งกือรอบๆตัวอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็จริงๆก็เหมือนกันเนอะมันก็เหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่า ไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามตาม่ตางๆ ม, มันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่จิตมันเผลอไปคิดเนาะเท่านั้นเองอย่างเนี้ยไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่านั้นมันเป็นเพียงแค่การที่จิตเขาก็มีนิสัยแบบนั้นละ่ะเขามีนิสัยที่จะ ต, ต้องคิดเขาก็คิดของเขาอย่างเงี้ยเนาะเรามีนิสัยที่จะต้องเหมือนกับว่าคอยคอยสังเกตคอยดูเขาแล้วก็มีนิสัยที่คอยสังเกตคอยดูแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราก็มีความรู้สึกมาวางใจเนาะสิ่งที่ที่เราได้สังเกตเห็นก็คือโอ้เราวังใจได้มากขึ้นเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นความรู้สึกจิจนะคิดอีกแล้วนะคิดยาวไปอีกแล้วนะอตอนนี้คิดสั้นนะดีนะอะไรต่างๆมันมีความชอบความไม่ชอบเนี่ยที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มันเกิดอาการของของจิตที่มันเผลอไปคิดดวงเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนานๆมันก็ อันหนึ่งก็นิสัยจิตมันเป็นแบบนั้นนะแล้วเนาะก็เหมือนกับว่าเข้าใจเออมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะไอ้อส่วนที่จะคิดมากคิดน้อยอะไรยังไงก็มันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ต้องคิดมากคิดน้อยเนาะก็ไม่ต้องให้น้ำหนักว่ามากคือไม่ดีน้อยคือดีหรือว่ามากคือดีน้อยคือไม่ดีอะไรยังไงก็ตามอะไรเงี้ยแต่นั่นก็คือมันก็เพียงแค่เราเร า, เรารู้เนาะเรารู้ว่าอืมมันเป็นแบบนี้เรารู้มันรู้ม่าเป็นแบบนี้ก็อืมหลวงพ่อมเขียนท่านก็คือใคยบอกบอกว่าบอกว่า เราเนี่ยนะเหมือนกับว่าถ้าเอเนี่ยหยุดไว้ก่อนนะถ้าอืมก็ผ่านไปอย่างนี้เราก็มีความรู้สึกว่าพอมันเอสเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับว่าเผลอไปคิดต่อเนี่ยเอะมันก็ยาวแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ได้ว่าอืมเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วนะอือมันก็หยุดอยู่แค่นั้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าการที่เรากลับมาเนาะอยู่กับ การรู้ตัวเนาะเป็นปัจจุบันเนาะคำว่าปัจจุบันก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นว่าเออเราเหมือนกับตอนนี้มันเกิดอาการแบบนี้ก็อืมมันเกิดอาการแบบนี้รับรู้ตอนนี้มันเกิดอาการแบบนี้ก็อืมมันก็เป็นอาการแบบนี้รับรู้เนาะนี่มันเขาทำให้เราก็เหมือนกับกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นการไปวิตกวิจาร์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็น้อยลง ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ออระยะเวลาของการปฏิบัติธรรมการที่เราได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าคําสอนเนาะคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ที่มีเนาะก็เป็นเรื่องเดียวกันคําสอนที่หลวมพ่ อ, อเกียนันาะท่นเพียรที่จะสอนเนะเอาสติเป็นนักศึกษาเอากายเอาใจเป็นตาําราเนาะ ตรงนี้เนี่ยเราเปิดตาราซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้อีกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็เคยเปิดตําราทั้งโลกเนาะเมื่เราก็เหมือนกับว่าอืเราก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเวลาที่เราเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันก็ไหลไปตามสิ่งที่เราเคยชิน อะไรที่เราเคยชอบอะไรที่เราเคยชังต่างๆนานาเหล่านี้มันก็ฝังเนาะฝังอยู่ในจิตของเราพอฝังอยู่ในจิตของเราเนี่ยการที่เรามีความรู้สึกตัวที่จะคอยดูแลตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยก็ได้มองเห็นเนาะว่าอ้จิตเนาะจิตที่เราอาศัยก็อยู่อาศัยก็คอยรับรู้อะไรก็าอาศัยก็คอยอะไรต่างๆนานาหน่อยเนี่ยเาก็มีนิสัยแบบนี้มันก็เป็นนิสัยที่ เราไม่ได้คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรกับเขาเมื่อก่อนก็มีควารมรู้สึกเดือดร้อนนะว่าเอ๊ะเราเป็นคนนิสัยไม่ดีหรืออะไรต่างๆ่านั้นนะก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีนะก็เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าเหมือนกับมันก็เราก็เข้าใจนะคือการก่อรูปขึ้นมาเป็นเรานาะสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรามันก็ก่อรูปขึ้นมาทั้งกายทั้งใจตั้งแต่เล็กอย่างนี้เหมือนกับเวลาที่เรามีงานบทเน้นพักฤดูร้อนเนี่ย เราก็มีเด็กมีเนนมีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มาอยู่ต่อหน้าเราที่ต้องดูแลกันไป2ี่วัน20กว่าวันต่างๆเนี่ยเราก็ได้เห็นนะว่าจิตของเขาอะนะที่กำหนดให้เขาทำนู้นทานี่อะ ไ, ไรต่างๆมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปุ๊บหนึ่งเขาก็อาจจะเปลี่ยนจากน้ำตาล่วงเนาะมาเป็นหัวเราะกับเพื่อนได้เลยอะไรต่างๆ ก็เปลี่ยนไปได้นะหรือว่าวปุ๊บหนึ่งที่หัวเราะกับเพื่อนนะอีกเดียวหนึ่งก็แบบว่าฮึดฮัดโมโหใส่กันอาจจะลงมือลงไม้กันได้ภายในช่วงเวลาที่แปบ๊บเดียวเท่านั้นเองอะไรต่างๆตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราเป็นผู้มองนะเราก็เห็นนะว่าอ๋อนี่นะจิตใจของเขานะที่เขาไม่ถันละมัดระวังเนี่ยมันก็ทาให้เขาเกิดอาการต่างๆขึ้นมาโดยที่เขาเรียกว่า โดยที่เขาเองเขาก็ไม่ทันรู้ตัวแต่ว่าอาการต่างๆนาน า, น า, นานที่เกิดขึ้นกับเขาตรง น, นั้นอ่ะมันก็ปรากฏร่องลอยของความทุกข์ออกมาให้เขาเห็นนะเด็กบางคนก็พอเวลาหัวเราะก็หัวเราะสนุกเนาะมันก็กลายเป็นตัวเป็น ต, น, ตนขึ้นมาก็การเป็นหัวเราะเสียงนั้นเสียงนี้แบบอย่างเข า, าที่อย่างที่เขาชอบนะก็ อ, อาจจะไปเจอการ์ตูนอะไรสักอย่างที่มันหัวเราะเอิกเอ๊กอักอกแบบนึงเขาก็เหมือนกับพอสนุกแล้วมันก็ไหลไปตามนั้นนะอย่างเนี้ย คือมันก็ไม่ทันไม่ทันได้รู้ตัวมันก็เป็นแบบนั้นเราก็มองเห็นภาพแบบนี้นะว่าอืมนี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมาช่วยดูแลเราเนี่ยชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นละเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรอย่างี้นะจริงๆแล้วการที่เราเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะ หรือว่าเป็นเด็กเนี่ยจริงๆถ้านะนาะทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าอายุนอนจะเป็นเครื่องบอกแต่ว่านั่นหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยได้ฝึกปนฝึกปนตัวเราให้มีความรู้สึกตัวคอยคอยคุ้มครองกายคอยคุ้มครองใจเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เหมือนกับเกิดความรับผิดชอบที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมากขึ้นดังนั้นคือนี้นี่คือสิ่งที่เราเหมือนกับ มีความรู้สึกตัวเนาะหัดความรู้สึกตัวหัดใช้ความรู้สึกตัวเราก็จะได้เห็นนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้อาศัยก็เรียกว่ากายใจเนี่ยที่เกิดขึ้นมากับเราแล้วก็พัฒนาการขึ้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยพัฒนาการของกายเรามันก็อาจจะเป็นความร่วงโรยต่อไปแต่ ว, ว่าพัฒนาการของจิตใจเราเนี่ยมันจะเป็นพัฒนาการที่มัน สูงขึ้นหรือต่ำลงเนาะมันจะมีอกุศลครอบงามากขึ้นหรือว่าจะมีกุศลเนาะที่เหมือนกับว่าที่จิตใจเนี่ยได้รับมาเนาะแล้วก็มีความพอใจตรงนั้นนี่คือสิ่งที่เหมือนกับการปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าบอกว่าการพอใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากกว่าการปฏิบัติธรรม นี่คือสิ่งที่เหมือนกับถ้าเกิดว่าเราได้ทันได้ทันได้เห็นเนาะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาความกุศ ล, ลจิตเนานะที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยได้เกิดความพอใจในการปฏิบัติธรรมเพราะว่านี่คือสิ่งที่ถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยผลของการที่เราปฏิบัติตามธรรมเนี่ยผลที่ที่เกิดขึ้นก็คือผลที่เกิดขึ้นกับเรื่องเนาะเขาเรียกว่า กับเรื่องนอกตัวก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดกันในจิตใจก็คือเราก็ได้สัมผัสความสงบเย็นเนาะอย่างนี้การที่พวกเราได้เหมือนกับอยู่กับความสงบกันสักครู่หนึ่งที่บอกบอกว่าหลังจากการสวดมนอย่างเงี้ยนะพวกเราก็ไม่รู้ได้สังเกตรหรือเปล่าว่าคาว่าทำความสงบด้วยกันสักครู่หนึ่งเนี่ยพวกเราก็จะกลับมาเหมือนกับ กลับเข้ามาสู่จิตใจเนากลับมาทำงานกับจิตใจของเราแล้วก็ภายในเวลาสั้นๆตรงเนี้ยเราก็จะพบว่าในเวลาไม่ถึงนาทีเนาะที่บอกให้สงบกันเนี่ยเราก็จะพบว่าจิตใจของเราก็สงบลงได้ก็เรียกว่ารวดเร็วนะแต่ตำนางเดียวกันเนี่ยในเวลาช่วง <c oughs> ของหนึ่งนาที ของการที่เราบอกว่าอยู่ด้วยความสงบกันสักครู่นี้ ก, ก็จําได้บ้าเมื่อก่อนนะก็เอเออาร์ออออนะว่าเอ๊อเออความสงบนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเมื่อก่อนก็ทําไม่ถูกนะได้ยินครั้งแรกก็คิดอะไรไปต่างๆสารพัดแต่ ว, ว่านั่นคือปรากฏว่าในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเราก็พบว่าโอ้ความคิดนี้มันก็ไปได้เยอะนะในเวลาที่เรารู้จักวิธีการเนี่ยภายในภายในเวลาสั้นๆพอบอกนะเราก็ทําได้เลย ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราปฏิบัติธรรมมันก็จะมีก็เรียกมีช่องนะภาษาโบราณก็อาจจะเรียกว่าทํานองคลองธรรมอย่างเงี้ยเนาะมันมีมันมีล่องมีคลองมีช่องของมันการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันเนะี่ยการที่จิตใจของเราเนี่ยได้กลับมาสู่ความสงบเนาะตรงนี้เนี่ยจิตใจของเราก็ได้กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่เขาเองเขาก็มีความสุขมีความปลอดภัย เขาก็จะเกิดความพอใจในการปฏิบัติธรรมหรือมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าอาศัยเนาะอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าร่างกายสิ่งที่เราเรียกว่าการกระทําของเรา <in> หรือว่าการที่เราได้อาศัยสิ่งแวดล้อมที่เราไปพบปะเจอเจอต่างๆา น, นานามาเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้กลับมาระลึกรู้เนาะได้กลับมาคอยรู้สึกตัวลงมาที่กายของเราหรือว่าคอยรู้สึกตัวลงมาที่ใจของเราว่าตอนนี้เนาะ ร่างกายของเรามีอาการที่เกิดขึ้นเนาะเป็นยังไงตอนนี้จิตใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องราวต่า ง, า ง, างๆรอบๆตัวเป็นยังไงตรงเนี้ยก็จะทําให้เราได้เหมือนกับมีบทเรียนเนาะมีข้อสรุปแล้วก็มีการที่เราได้ค่อยๆเรียนรู้กับการวางใจพาให้จิตใจของเราเนี่ยได้พบกับความสงบพบกับความเย็นได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้ก็ ขอให้พวกเราเนี่ยก็ได้อาศัยเวลาที่พวกเรามาเจอกันทั้งมันตรงนี้ก็หัดเนาะหัดพาจิตใจของเราหัดใช้ความรู้สึกตัวสารวจจิตใจของเราเดี๋ยวพระจันโทท่านก็จะได้พาพวกเราเนาะมีไหมมีใครที่ต้องการคำแนะนำในการปฏิบัติธรรมเหมือนวันนี้ไม่มีนะ <laughs> หน้าเก่าๆทั้งนั้นเนาะดังนั้นก็ กรนิมนต์พระจันโนอนะฮะมีไหนที่จะแนะนำก่อนที่พวกเราจะได้เข้าสู่วาระในการปฏิบัติธรรมกันกรรมนิมนตนะ์